เราว่าสร้างเหมือนเหมือนปรึกษาเทวดาว่ากันคำว่าอริยกะเนี่ยนะมีประมาณเท่าใดมนุษย์อริยกะก็คือผู้เจริญผู้มีความรู้มีการศึกษาเป็นต้นนะ่นนะสถานที่ตรงนั้นก็เป็นที่แก้หอสินค้าเขาบอกว่าสินค้าใดที่หามไม่ได้ในชุมพูทวีปไปหาที่เมืองปาฏลีบุตรสมัยก่อนโน้นนะยิ่งสมัยพระเจ้าอาโศกพศสองร้อยสามร้อยไปแล้วเนี่ยเมืองยิ่งใหญ่มากมันใครที่ไม่มีสินค้าหาสินค้าไม่ได้ก็ไปหาที่โน่นแหละ จริงอยู่ทุกๆวันมูลค่าการเกิดขึ้นห้าแสนเรียกว่าภาษีว่าห้าแสนสมัยนั้นนะเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะที่ประตูนครทั้งสี่ด้านสี่แสนท่ามกลางพระนาครอีกหนึ่งแสนเรกว่าภาษีเก็บได้ว่าห้าแสนว่าห้าแสนบราณนี่ถือว่าโหปีทุกวันนี้ก็คงเป็นหลายร้อยล้านมากเลยนะวันหนึ่งเก็บภาษีได้หลายร้อยล้านนี่แหละแต่ว่าปัญหาของเมืองนี้มีอยู่สามอย่างด้วยกันคือหนึ่ง ไฟปัญหาด้วยการด้วยจักไฟนะไฟอย่างอย่างบ้านเราก็ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวก็ไฟไหม้ตรงนั้นไฟไหม้ตรงนี้แหมพระเพลิงเข้าตรงไหนก็พลานที่นั่นวอดไปหมดเลยเนี่ยนะที่ไหนที่เคยชุมนุมชนเนี่ยตอนหลังก็เหลือแต่ซากแล้วก็ไฟไหม้เนี่ยนะบางที่เนี่ยโหมกระหน่าแบบโบราณไม่มีระบบการดับเพลิงใช่ไหมแต่ถ้าไหม้ลงตรงไหนแล้วก็หมดแน่ แล้วก็อย่างที่สองก็คือแม่น้ําคงคาพัดไปเพราะเป็นเมืองที่กระแสน้ํามายาวมากมาไกลมากามาฉากตอนเหนือเนี่ยนะพันแม่น้ําก็สามารถที่จะเกิดเ อ, อ่อขึ้นมาฝนตกติดกันเลยลายวันหรือเป็นสิบวันเข้าเนี่ยนะน้ําก็เ อ, อ่อท่วมนองท่วมเมืองเหว่างั้นบ้านเมืองก็น้ําท่วมทับอีกส่วนหนึ่งก็จากพินาศกันโดยความแตกแยกกันของมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าความแตกมนุษย์เนี่ยแตกแยกกัน แตกกันด้วยอํานาจอะไรปิสุนาวาจาเรียกว่าบางช่างยุบางช่างแยบางสอเสียดทั้งหลายก็จะเข้ามาเนี่ยนะพวกนี้ก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าตัวที่ทําให้สร้างความร้าวรานนะคือในโลกนี้เนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นสังขารธรรมสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากการประชมปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่ามีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาทําให้แตกแยกสิ่งนั้นก็ถึงความ แตกแยกสังเกตดูถ้าพวกหม้อดินภาชนะดินถ้ามีไม้มาตีมันก็แตกนะมันก็แตกมันก็แยกร่างกายนี้ถ้ามีหอกมีอาวุธมีสาสตราเป็นต้นมาที่มาแทงกายก็ถึงความแตกไปบ้านเรือนทั้งหลายถ้าหากว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบกระเทือนมากระแทกก็ถึงความแตกแยกไปขนาดสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างต้นไม้เมื่อเอาศาสตราเอาขวานเป็นต้นฟาดลงไปต้นไม้ก็ถึงความแตกแยกแต่แตกแยกเหล่านั้นก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับคนทั้งหลาย แตกแยกเนี่ยนะประชุมชนทั้งหลายแตกแยกก็เพราะอะไรเพราะส่อเสียดนั่นเองไอ้คำว่าส่อเสียดนี่กับคําว่าเสียดสีนี่คนละอย่างคําว่าเสียดสีก็คือพูดกระแทกแดกดันให้ถึงความเจ็บใจเป็นต้นเรียกว่าคําพูดเสียดสีเนี่ยนะแต่ส่อเสียดนี่หมายคก็ว่าเก็บความข้างนี้คนนี้พูดอะไรนะคาบข่าวไปเล่าให้ทางโน้นฟังแล้วโดยมากมันจะเล่าเกินจริงหรือไม่ก็เล่าความจริงไม่ครบเนี่ยนะ อีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วก็ขาดเมตตาอีกฝ่ายหนึ่งทันทีก็จะขาดเมตตาอีกฝ่ายหนึ่งไปฟังทางโน้นทางโน้นพอฟังคําที่ไม่ครบปั๊บเนี่ยนะเขาก็วินิจฉัยผิ ด, ผ, ดผิดมาพูดพลาดไปหน่อยหนึ่งก็พูดเลยเถิดไปบ้างเพราะข้อมูลไม่พอไอคนนี้ก็คาบข่าวมาพูดให้เกินจริงอะนะในที่สุดเขาก็ทะเลาะเบาะแวงกันในที่สุดก็ขาดเมตตาซึ่งกันและกันเนี่ยนะเรียกว่าโปรยทําให้คนแตกแยกกันนะเรียกว่าสอเสียดสอเสียดนี่เป็น ในบรรดารอากุศลทุกชนิดส่อเสียดเนี่ยรุนแรงที่สุดอย่างคนที่อย่างสมมติว่าคนอีกคนหนึ่งตําหนิอีกคนหนึ่งอย่างรุนแรงนะถ้าไม่มีคนใกล้ๆมาส่อเสียดนะไอคนนั้นมันก็ไม่โกรธเท่าไหร่หรอกอย่างสมมติว่าอีกคนหนึ่งบอกโอ้ถูกด่ามาอย่างสมมติว่าแม่แม่ตําหนิลูกไหยแม่ที่ชาวเราภาษาชาวบ้านใช้เขาแม่ด่าลูกพอแม่ด่าลูกลูกก็เออก็แม่ด่าว่าเราก็เราอาจจะผิดจริงอะนะแม่ก็เลยว่า แล้วก็ก็รู้สึกไม่ชอบอ่ะนะแต่ว่าก็ทนได้รับได้เพื่อนก็มาวังทนได้ยังไงวะเนี่ยขนาดแม่เองยังทํายังขนาดนี้กับเองนะเป็นต้นเสยียดไปเสียดมาเนี่ยนะอยู่กับแม่อย่างงี้ได้ยังไงออกไปเถอะเนี่ยพวกส่อเสียดทั้งหลายก็เริ่มที่จริงปัญหาบางทีเรื่องมันนิดเดียวไอบ้บางช่างยุบางช่างแย่มอกทนอยู่ทําไมทําไมต้องทนเป็นต้นเอกคนหนึ่งเอาละเนีันนน่นไอ้ฝ่ายหนึ่งก็เริ่มมีปัญหานั้นคนที่พูดเนี่ยนะพูดแล้วเขาสามัคคีกันไหมพูดแล้วเขา ปรองดองกันขึ้นไหมบัณฑิตทั้งหลายจะไม่พูดเสิยงใดให้เกิดความแตกแยกนะจะไม่พูดเสิยงใดเพื่อขาดความสมารสมาลสามารถขีดขาดความปรองดองกันงนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนผานทั้งหลายเนี่ยมีความแตกแยกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะังั้นคนที่อยู่ในโลกของวาจาเนี่ยนะเป็นกรรมที่ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมากก็คือกรรมประเภทวจีกรรมหรือกรรมประเภทวาจาท่านจะบุญจะบาปจะ ตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็จากวาจาชีวิตของเราเนี่ยนะตอนตายแล้วเนื้อจะออกหลุดไปเป็นกี่ชิ้นกี่ส่วนก็อยู่ที่วาจาของเราเนี่แหละพันต้องเจริญสัมมาวาจาให้มากวาจาเว้นจากปิสุนาวาจาคำพูดส่อเสียดเนี่ยสำคัญเพราะเป็นเหตุแห่งความสมัรสมานสามัคคีและปรองดองกันนั้นชีวิตบ้านของส ม, มุิที่ไหนก็ตามถ้าสังคมระห้องรแหงจะมีความสุขไหม สังคมครอบครัวถ้าหากว่าทุกคนมองหน้ากันไม่ติดระหองระแหงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครอบครัวนั้นจะมีความเจริญไหมหมู่บ้านใดถ้าแบ่งกันเป็น ก, ก๊กเป็นเหล่ามีแต่ความระหอกระแหงมีแต่ยุแยมีแต่การส่อเสียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะหมู่บ้านนั้นจะเป็นอย่างไรอำเภอนั้นจะเป็นอย่างไรจังหวัดนั้นจะเป็นอย่างไรประเทศเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรเพราะนั่นพวกที่ยุแยเนี่ยนะเป็นกรรมที่ที่ทน่ากลัวที่สุดในบรรดาอาคุศ ล, ลกรรมทั้งหลาย เพราะว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะเพรา ะ, ะการยุแย่เนี่ยนะเป็นเหตุให้ทําปานาติบาตก็ได้เป็นเหตุให้ทาาําทอธินนาทานทํากาเมทำพูดมูซาหรือเดิมสุราเมีไรเป็นเหตุแห่งบาปประกรรมอย่างอื่นมาอีกมากมายเนี่ยนะทันใครที่จะยุยงส่งเสริมให้ใครเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งต้องทบทวนว่าผู้ที่เรายุแย่เข้าไปเนี่ยเขาได้รับประโยชน์หรือเขาเสียหายประโยชน์แน่เพราะถ้าเราทําลายประโยชน์เข้าไปเท่าใดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะสูญเสีย คูณสิคูณร้อยกรรมเนี่ยนะมันจะไม่ได้ให้ผลทั้เสมอตัวมันจะไม่ให้ผลเท่าตัวรอกไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปสังเกตดูเราเพาะเมล็ดพันธุ์มะม่วงไปหนึ่งเม็ดเนี่ยมันออกลูกมาเท่ากับมเมล็ดที่เพาะไปไหมบอกไม่นะเพาะถ้าเมล็ดพันธุ์ดีหน่อยเพาะปลูกในสถานที่ดินอุดมสมบูรณ์หน่อยมันให้ผลอยู่ได้เป็นร้อยปีปีละเป็นตันถ้ามันให้ผลอยู่ปีละตันปีละตันร้อยปีเนี่ยนะ กี่กิ่ลูกอะกรรมที่เราทําลงไปก็เหมือนกันเพราะมาเมล็ดพันธุ์ไปหนึ่งครั้งเนี่ยเวลามันให้ผลมันได้ให้ผลนหนึ่งแต่มันให้ผลคูณแสนคูณล้านคูณหลายหลาสิบล้านหลายหลายร้อยล้านบางทีก็เรียกว่าคูณกันเป็นกลับกลับเลยแบงนั้นเถอะเพราะฉนั่นเพราะอะไรก็เพราะกรรมที่ทําลงไปกรรมดีก็เหมือนกันกรรมชั่วก็เหมือนกรรมคําที่เราพูดทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราพูดเพื่อความเสียหายเพื่อความแตกแยกขาดความสมัครสมาสามวีขาดความ ปลองดองกัรเนี่ยนะเราเองนี่แหละจะต้องไปแตกแยกกับคนอีกเท่าไหร่นอเพราะเรามีบุคคลอันเป็นที่รักเราก็ต้องแตกจากคนที่รักสมมุติว่าอย่างบางคนนี่มีความรักครอบครัวมากก็ต้องจากครอบครัวอันเป็นที่รักเนี่ยนะเพราะตัวเองทํากรรมประเภทนั้นเอาไว้หรือแม้กระทั่งมีลูกเป็นที่รักในที่สุดก็ต้องพลัดพรากจากลูกที่ตัวเองรักไปนั่นแหละเพราะกรรมเหล่าใดที่ตัวเองทําเอาไว้จะต้องสูญเสียของรักบ่อยๆสูญเสียของรักเป็นประจํา เพราะอะไรเพราะกรรมมันมีผลนั้นส่อเสียดให้บุคคลเข้าแตกแยกเท่าใดเนี่ยนะเรียกว่าเส้นทางนี้จึงเป็นประตูสู่อาบายทุคติวินิบาตและนรกทั้งหลายเพราะถ้า ต, ตัดตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็คือการละวะจีทุจริตละการส่อเสียดขนาดบ้านเมืองยังไม่เป็นบ้านเป็นเมืองเลยนะเมืองภัยสาลีนี่ก็เพราะวัสการพรามไปส่อเสียดเนี่ยบ้านเมืองล่มสลายกษัตริย์นี่ก็พินาศโวทวายไปหมด แล้วก็อีกหลายแห่งเนี่ยนะบ้านเมืองเสียหายก็กกเกิดจากการส่อเสียดกันทั้งนั้นนะพวกคาบข่าวพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะนั้นก็บาปทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่ไกลรอรกเนี่ยนะบอกว่าเท่าร่างกายของเรานีส่วนที่อาศัยทําบุญทําบาปได้มากที่สุดก็ลิ้น2นิ้วนี่แหละลิ้น3มนิ้วตวัดขึ้นตวัดลงนี่แหละจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่แถวๆนั้นเนี่ยบรรดากรรมที่หนักหนักมากเนี่ยนะมิจชา่ทิฐิกวาจานี่อยู่ใกล้ๆกันท่านว่ากัน พันในอักุศลกรรมบทสิบเนี่ยเวลาที่พระองค์ตรัสเหตุแห่งสวรรค์หรือเหตุแห่งนรกเนี่ยก็ยกว่าเนี่ยถ้าทําชั่วด้วยกายด้วยทําชั่วด้วยวาจาทําชั่วด้วยใจเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิติเตียนท้าเดียเจ้าอันนี้ก็ยกให้ความสําคัญกับวาจาในะเรื่องการตำหนิเตียนเนี่ยนะเพราะว่าบางอย่างก็ไม่เกิดความสร้างสรรค์นเนี่ยนะบางอย่างก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อกุศลธรรมเจริญงอกเงยงอกงาม ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยเนี่ยนะฮะบางคนที่เขาทํากรรมสอเสียดเนี่ยน่าสงสารจริงๆเลยว่าอาจจะมันน้ําลายแค่นิดเดียวไม่กี่นาทีเนี่ยนะแต่หลังจากนั้นก็เป็นยาพิษทั้งนั้นเลยที่เขาเขาเพลิดเพลินลงไปเนี่ยนะนั้นเวลากรรมเหล่านั้นมันให้ผลเนี่ยจะเดือดร้อนเจ็บปวดขนาดไหนเนอเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยนะบอก ว, ว่าคิดซะก่อนแล้วค่อยทําคิดซะก่อนแล้วค่อยพูดพูดนี้เบียดเบียนตัวเองไหมเบียด เ, ยเบียนตัวเองในปัจจุบันไหม เบียดเบียนตัวเองต่อไปไหมเบียดเบียนตัวเองชาตินี้ไหมเบียดเบียนตัวเองชาติหน้าไหมเบียดเบียนตัวเองหลายๆชาติอีกต่อไปไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมทําลายประโยชน์ของผู้อื่นไหมเนี่ยนะเป็นต้นเราก็ต้องสอบสวนเทียบเคียงแล้วก็ไข่ครวญคิดให้มันดีแล้วค่อยกล่าวออกไปเนี่ยนะถ้าหากว่าดีที่สุดก็อย่าพูดนั่นแหละมันดีที่สุดมันบางอย่างเนี่ยไม่พูดดีที่สุดแล้วก็นิ่งแบบพระเรียเจ้าถ้าจะสนทนาการก็สนทนาเรื่องกุศลกรรมบทเสดสนทนาการเรื่อง กุโทษของการล่วงอกุศลกรรมบทเสร็์สนทนาการในเรื่องอนิสงผลความดีที่เกิดจากการกล่าวกุศลกรรมมบทเสร็จมันวาจาเนี่ยนะถ้าเราใช้ดีเนี่ยแทบไม่ต้องตามแก้อะไรเลยไม่ต้องไปลำบากใจไม่ต้องไปหนักใจคนที่ใช้วาจาเป็นเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนใจวาจานี่แหละเป็นเหตุแห่งความ ฟุ้งซ่านมากที่สุดเนี่ยนะดังั้นคำพูดแต่ละคำเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสงบหรือฟุ้งซ่านก็ดูจากวาจาที่ใช้ไปในชีวิตประจําวันเนี่ยนะชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราใช้คําแบบไหนเราก็แทบพยากรณ์ได้เลยว่าเราควรจะมีความสุขหรือควรจะมีความทุกข์ดูจากอะไรก็ดูจากวาจาที่เราพูดออกไปนี่วาจานี้มีอะไรเป็นสมุดฐานบอกมีวิตกวิจารมเป็นสมุดฐานอก็อยู่ที่ความตรึกนะคำที่บุคคลใดพูดออกมาเนี่ยนะมันประกาศถึงว่า แนวความคิดของคนนั้นเขาคิดอะไรอยู่เป็นจำนวนมากปริมาณที่มากแห่งความคิดของเขาเขาคิดอะไรก็ดูจากคำที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิด เ, เป็นไปตามทัศนคติของเขาทุกประ ก, การถ้าเขากล่าวว่าจีทูจิริตก็แสดงว่าอากุศลวิตตก็มีกาลังทัศนคติที่เลวร้า ย, ยนะอยู่ภายในบนพื้นฐานที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิเป็นต้น มันก็ต้องระแวดระวังเนี่ยนะการวาจารพราะวาจานี่ก็สาวไปหาวิตกะการตรึกแล้วก็สาวไปหาตัวทัศนคติเนี่ยนะว่ามีทิฏฐิเป็นอย่างไรแล้วข้อมูลแล้วก็สาวต่อไปแล้วสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะจะพาเราไปสู่นรกเปรตอสุรกายหรือไม่จะพาเราไปณนะที่ไหนสมมติว่าบางสังคมเนี่ยนะสมมติก็ว่าเราจะต้องนั่งรถโดยสารบางคันที่เรารู้เลยว่าพาเราไปประสบอุบัติเหตุเนี่ย คนเข้าไปเยอะมากเลยนะร้าเราจำเป็นต้องไปด้วยไหมเขาออกตัวให้ฟรีนะแต่ไปเกิดใหม่อะหรือไม่ก็คือเขาฟรีให้ขึ้นรถไปฟรีแต่เขาไม่ได้ฟรีค่าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะไม่ได้ฟรีค่ารักษาไม่ได้ชดใช้ชดเชยค่าเจ็บปวดเพรา ะ, ะนั้นอาจจะฟรีในเบื้องต้นแต่ว่าเบื้องปลายเนี่ยเดือดร้อนเลยต้องระมัดระวัง นะบอตั๋วเครื่องบินตัวนี้เที่ยวนี้ฟรีแต่ว่าชวนไปแล้วไม่มีใครรอดสักคนหนึ่ง น, น่าสนใจไหมงั้นการพูดอะไรทั้งหลายแหละก็เหมือนกันหลายคนเขาทําแต่เราต้องทําด้วยไหมบางคนก็บอกโอ้ก็เขาทําทุจริต ก, กันเราก็เลยทําด้วยอ้าวงั้นเขาเป็นเอจกันทําไมไม่เป็นกับเขาล่ะนะล้วเขาเป็นโรคมะเร็งกันแล้วทำไมไม่เอาก้อนมะเร็งนั้นนะมามาเพาะเชื้อลงในร่างกายของตัวเองล่ะเขาเป็นวัณโรคก็ไปสูดอากาศหายใจของเขาเข้ามาให้มันเต็มปอดลึกๆเนี่ย น, นะ นะเอาอย่างนั้นไหมก็ไม่เห็นว่าหยับคัมมันฉันใดแล้วความชั่วทําไมเราต้องพยายามที่จะไปติดเชื้อเพราะมั้นเราก็ขาดเมตตาต่อตัวเองเพรามันความแตกแยกกันเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็คนเนี่ยถ้ามีการแตกแยกกันก็ไม่ได้ในพระไตรปิฎกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าถ้าหากว่าจิตที่คอยคิดเพ่งโทษเส้นกันและการเพ่งกลับไปกลับมาใจจะห่างจากสมถะและวิปัสสนาว่างั้นเถอะ ใจก็จะห่างจากสมถะและวิปัสนาคนที่ส่อเสียดเนี่ยนะคนที่คอยเยอสเยเียดส่อเสียดคอยเพ่งเล็งเก็บแต่ความเลวร้ายของผู้อื่นเก็บแต่ข้อมูลของผู้อื่นใกล้สวรรค์ขึ้นไมย่างว่าบอกว่าถ้ารู้ว่าคนอื่นเขามีความดีเท่าไหร่ในี่ใกล้สวรรค์แต่ถ้ารู้ว่าคนอื่นเขาเลวแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะใกล้นรกนะเพราะว่าเพราะถ้าเรารู้ความเลวหลายหายอย่างเราก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะ ถ้าหาว่าไม่สังเกตไม่มนสิการไม่พิจารณาใคร่โครนให้ดีๆเนี่ยแต่ถ้าหาว่าการรู้ความไม่ดีของคนอื่นเพื่อระวังตัวนี่ดีแต่ถ้าการรู้แบบลักษณะเพื่ออะไรนะติดเชื้อกันเนี่ยนะอันนี้ไม่ดีแล้วก็บุคคลที่เราครบด้วยก็นับว่าสำคัญมากเราจะรักษาสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาก็ดูจากคนที่เราครบด้วยเพราะมงคนเนี่ยจึงให้ความสำคัญข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3เนี่ยนะ มงคลคือคบขนพานอยู่ไหมคบบัณฑิตไหมแล้วดวงใจของเราเนี่ยบูชาใครใครคือบุคคลที่เราก้องเคารพต้องยำเกรงต้องโทษทูลเทิดทูนเอาไว้ในใจเนี่ยนะบุคคลที่เราเทิดทูนเอาไว้ในใจเนี่ยคือใครแล้วชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับใครครบกับใครนั่นประกาศได้เลยว่าควรจะนรกหรือสวรรค์เนี่ยนะแปลว่าดูจากคนข้างเคียงได้โบราณเขาบอกว่าอยากจะรู้ธาตุแท้ของใครนะดูไม่ยาก เราดูได้ไงก็ดูคนรอบข้างเขาเป็นใครนั่นแหละคือธาตุแท้ของคนนั้นถ้าหากว่าเขาไม่เห็นด้วยแบบนั้นเขาจะไม่ไปอยู่จุดนั้นเด็ดขาดก็แสดงว่าเขาเห็นด้วยแบบนั้นเขาพอใจสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเขาจึงไปอยู่ในจุดนั้นก็แปลว่าธาตุใกล้กันมันจึงไปไปอยู่ด้วยการมันฝูงโคมันจะไปอยู่กับฝูงกระเบือได้ไม่นานหรอกกระเบือมันก็ไปอยู่กับโคได้ไม่นานฝูงแพะก็ไปอยู่กับหมูได้ไม่นานหรอกมันก็เป็นไปตาม ฟุ้งๆไปเพราะฉะนั้นถ้าจะดูท่าแท้ของคนนั้นก็ดูจากสังคมสิ่งแวดล้อมและรอบข้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราพอใจที่จะเป็นแบบนั้นไหมเหตุคืออะไรผลคืออะไรที่สุดของการกระทําเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องพยายามเช็คทบทวนคิดว่าตรวจสอบอริยทรัพย์ตรวจสอบกําหนดทิศทางแห่งวิถีชีวิตของเราต่อไปในอนาคตเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าทุกคนนั้น ต้องดํารงมั่นอยู่ในกรรมสักตานะคนอื่นเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเขาก็ไปตามกรรมของเขาเราเองก็มาด้วยกรรมของเราเร า, เ า, าก็จะไปตามกรรมของเรา อ, อจะไปด้วยกันเป็นคู่แฝกก็ไม่เอาอีกนั่นแหละรักกันมากหัวติดกันเลใช้ตับด้วยกันเอาไหมบอกไม่เอาเนี่นะใช้สมองเดียวกันเอาไหมบอกไม่เอาเนี่ยนะติดกันไปหมดเลยเอาไหมก็ไม่เอาอีกนั่นแหละไปอะไรไกับคนอื่นมากเกินไปเนี่ยนะเราก็ต้องระลึกเสมอว่าเราเองก็เป็นของเรานั่นแหละ ขนาดหัวติดกันเนี่ยบอกว่าขอผ่าตัดเถอะตายก็ยอมถ้าจะตายก็ไม่เป็นไรนะชาวอิหร่านนะสองคนนะแม้แฝดอินกับแฝดจันทนี่ก็หาเรื่องเพื่อที่จะผ่าแยกอกกันหาช่องทางที่จะผ่าแยกอกกันอยู่ตลอดเลยนะกระบว่าลงทุนทั้งทําทุกอย่างเพื่อที่อยากจะผ่าแยกอกกันเพื่อใช้ตับร่วมกันนะแฝดชาวอิหร่านก็ลักษณะเดียวกันใช้เราหัวติดกันเชื่อมกันนี่ก็หาทางที่จะผ่าตัดตายก็ยอม นะแม้ตอนแรกเขามันก็รักกันดีมากเลยนะแม้ขอเจอกันตลอดไปงั้นในที่สุดโอ้ยพอแล้วพอแล้วเนี่ยนะจะต้องพาจะต้องเจ็บจะต้องปวดขนาดไหนก็ยัง